ไม่ไม่เป็นไรก็ลกหลตางเท<ม>แค่สานาทีก็เจยงนะคะอ๋อทกวันหนึ่งตอนสี่โมงเช้าว่างอใครไปใครมาก็ไม่มี<อ>เห็นถึงสี่มงเช้ามีมาก็หลบกลอนออมาตัวนประตูอเที่ยวไปเที่ยวมาเ น, นเอยฉันจาตมาราทีางไม่เคยไปเลยว่ะค<อ>ก็ไปหาท่าทศรถท้าทศรถก็รถจ ร, จริจรงๆก็หมนะ่ะ มีแต่งกเกไม่มีเสื้อคือโถกล่าวมาในจังในจ่าถามว่านี่เทวดาทําไมนั่งไม่มีเสื้อเจ้าดาไม่ใส่เขาถามมันมีมันจําเป็นไหมพอคุยไปคนมาไปเดอรุ่นร้องมาเยอะรุน้องมาเยอะบอกอ้ยเพื่อนกล่าวมาแล้วโอ้เสียงเจียวเจียวเจวจียวที่เคยอยู่เชนั้นมาก่อนอ้สมมติาชเนี่ยนออดีตเคยอยู่มาก่อนเคยเคยอยู่ท่านท่านท่านท่านที่เหนืออ๋อเคยใหญ่มาก่อนนะที่ต่อไปก็ชนกันยกทัพไปหาท่าเรือหกก็ไปกันหมด ถ, ถ้าถึงเท้าเรือหงก็ชวนไปหาเท่ารุนปักก็ไปกันหมด <Okay. S 2> ถ, ถ้าถึงเท้าเวสวรนี่แถวนี้เองผู้ยักษ์มาไรือนหงกแล้วเสียงไม่ถึงฟังไม่ได้เลยเพื่อนเก่ามาแล้วเพื่นเก่ามาแล้ว uh huh. ถามเท่าเวสวรมาเวลานี้เทวดามาหมดไหมปกเหลือเท่าหงมาเวดาไม่มาถ้า uh huh. ต่อไปก็พากันไปหาโยมยาตุ้งอร่าทั้งหมดยกทัพไปพ้อหมด เขาบอกวันได้จะไปรกใครกันเนี่ยแต่ก็ <c oughs> มากันเต็มตราเลยนะเอาไปคุยอยู่พักก็ชวนท่านไปเช่นยามาเดาเริงก็ไปหมดอพอถึงแย้มาก็ยอมมุชัยอยู่ที่นั่นคนนะท่า<ะ>นมารับท่านเป็นท่านท่านท่านเป็นคนหน้ายอยู่ที่นั่น<อ>ก็คุยก็เสร็จก็ชวนท่านดุสิตท่านยามาก็ไปหมดไปหมด พอถึงชั้นโัสิทธิเรียบร้อยแล้วคุยก็ท่านดีไปหาพระปานหาพ่อีอานใช่ไหมครับครับเรียบร้อยแล้วแต่ชั้นนี้ท่าไม่ไปด้วยอพราะเปจนผู้ใหญ่ก็ไปชั้นีิมารดาดีอถึงชั้นนิมารดดีต่อไปชั้นปรานิมชั้นทํามาไลใช่ไหมโอพอไปถึงปั๊บตั้งท้ามาไลก็มาเยืนยื้อขอบอะไรกับเป็นรวปเป็นกระแพงนะครับครับเป็นรูปกันหน้าวัดตัวบอกที่ม้วนคลับม้วนครับเข้าบานผมบอกที่ อยู่้าหลังเป็นร้านนะโอบ้านดันใหญ่เท่าไหนรู้ไหมครับเท่าเท่าสารพรอโภมิอ้โหพระอนาคาถาถามว่าที่เทวดากี่ล้านคนนี่จะเข้าบ้านไั้เต็มเลยบ้านเะพอเลยถ้าบอกบ้านเทวาาทดาดยืดได้๋อ้หเ <c oughs> <น>มือนลกโปูงนะใช<จ>่คร<ะ>ับพอเข้าไปจริงนั่งห้องรับแขกไม่ถึงครึ่งห้องรอก ไปเป็นล้านแต่นั่งไปถึงเครื่องง้องวิมานมันใหญ่ขึ้นมาท่านหลองเรา้ oh. ็คุยกันไปคุยมาถามว่าเวลาเนี้ยยังอยากไปพุทธเจ้าไหมถ้าบอกลาตรงแล้วโอ oh, ลาแล้วนะถามว่าก่อนจะลาแล้วทําไมเสือกแกล้งพุทธเจ้าอีกตอนนั้นเป็นโง่อย่างพวกนันเลยเพราะเกงว่าจะไม่มีนคนสอน oh. เวลานี้ไม่เอาไปอาหรนี่กว่าอถ้า oh. ถามว่าถ้าอย่างนั้นเวลาเวล า, ลาท่านพุทธบริษัทจะเรียนรรม า, าน ทันเทวาแกล้งให้ช่วยเดี๋ยวที่ช่วยช่วยมีไม่แกล้งช่วยแล้วพวกเดียวกันเป็นทั้งว่าเวลาหมดเวลานานแล้วขอยุติวจะเพียงเท่านี้นะเพราะได้เป็นเรื่องจิตจิตไม่นิ่มสองบาทไม่ไเรื่องไม่พึ่งองเรื่องวพหกรอหกรก็มีด้วยประการาชนีนะฮะถ้าพรุ่งนี้ก็ต่ออ้าวทีนี้ก็เมื่อจบตอนนี้แล้วก็ขึ้นต่อนึกก่อนกินน้ำก่อนอ้าวครับไม่เป็นไรเอ่อก่อนก่อนจะต่อก็บอกนิดนึงว่า คืนวันที่สิเบเอ็ดนะสิเอ็ดสิงหาเนี่ยนะหลวงพ่อมาที่ซอยสายลมเมตตาส่องเคราะห์ลูกหลานอย่างเงี้ยอย่างกลางคืนเนี้ยแล้วก็วันที่สิบสองจะเข้าว่งเอามาคืนเดียวนะคืนที่สิบ็ดมาคุยกับหลวงพ่อได้แล้วส่วนเดือนหน้าหลวงพ่อก็มาเจ็ดแปดเก้าสิบส่วนเป่ายานกรอบใช้กับสาวที่ยี่ห้ามีรถไฟเช้ากับเย็นแอร์และไม่แอร์แล้วก็อะไรีกันท่านที่สั่งจองภาพหลงพ่อที่ยืนอยู่ข้างหลังยกทรงเนี่ยนะ ที่เคาน์เตอร์ก็มีจำหน่ายแล้วแผ่นละยี่สิบาทวงเล็บไม่มีกรอบต้องบอกคนนะเห็นมาทวงกรอบเอานี่พระห้างมาที่นะครับอนุภาพพอๆกับพระทำข้าวโอ้ชิลเล่ที่ก็ย่งกว่าพระเจ้าจะบอกฉันทำคนเดียวอฉันทำเองก็ต้องเท่ากันครับไปพระก็หอไว้องละร้อยถถุงละร้อยล้อยองค์นะครับใช่ก็ใครจะเอาไปเกินคนละร้อยองค์ไม่ได้จะเวียนเทียนได้ โพดิ้แน่เสร็จเลยนะใครจะไม่รู้อ่ะอ เ, เอาไปแล้วมาใหม่จะจำหน้าได้ไหมมือยุบหยักยุบหยักอ๋อก็ส่วนถนนราคาก็เหมือนเดิมน ะ, ะแพงอางค์นี้ต้องคิดองค์ละพันจอดป้ายเลยอากาจะต้นไว้ก็กร้อยองค์อันสจังเหมือนเดิ ม, มเหเลยไม่เหมือนก่อนองค์เดิมสิบบาทครับแล้ว นี่ก็ป่วยไม่จริงยังมีอารมณ์นะขนาดเนี้ย <นะ S 2> คนยิ้มป่วยยังมีอารมณ์มากรับโอ้งั้นก็ขอให้ความป่วยจงเจริญนะกับก็เป็นนั้นว่าวันวันเสาร์ที่เออไม่ใช่วันศุขที่ยี่บสี่นะปลุกเสกประมาณหกโมงเย็นก็ปลุกเสกเนงไม่เกินชั่วโมอง อ, ะ <laughs> อ่ะเสร็จแล้วก็รับได้เลยใช่ไหมหลวงพ่อได้เลยใช่แล้วจากนั้นหลวงพ่อก็จะมามารับแขกที่สุราษไร่สอไร่อ่าและใครต้องการก็ไปที่นั่น แล้วก็ลงคือกระเป๋ายางกรอบเพ็รของคุณสาวที่25หรือะะะว่าจะไปรับที่ติดสองไร่ก็ได้เขาตั้งอะไรกันใม่มีทั้งสองสอ ง, สองแห่งเลยใช่ไหก็จัดยกไปเลยโอ้ครับแล้วว่าสะดวกที่นี่อาจจะครับแคบไปก็ได้นะครับครัแต่ว่าถ้ารับก็มืมอฉันนะครับเป็นไงครับพ่อขอค่ารับพันค่าค่าส่งพันบาทโอแค่แค่จับแล้วก็ยื่นเนี่ยหรอชั้บาทนะใช่ใโอ้นี่สันโดษแท้คูบอกว่าครูเล็กนั้วนี่แต่ครูใหญ่อยูงนี่ กครับก็เป็นอันว่าท่านที่ไม่ได้พระคำอมหาราบคำข้าวก็ไม่ต้องเสียใจบัดนี้พระหางหมากมาแทนแล้วอนุภาพก็เหมือนกันแต่พระมหาราบอาจจะมีปีใหม่เวลานี้ทำาผงได้ห้ากิโลกว่าแล้วอ๋อปีใหม่ก็ต้องไปปีหน้าสิครับไม่ใช่ปีหน้าปีใหม่จริงเนี่ยไม่ป่อยแท้ แล้วครับพ่อเพันนี้มันดีขึ้นเลยโอ้นี้ดีแหละครับดีขึ้นสบายเลยแบบแย่เลยครับงั้นก็ว่าใช้ถึงปีหนึ่งจะได้หายรัวไฟได้เสร็จไปเลยรอดไปอ้าวนี่มาปีเก้าแล้วครับเก้าลครับอ่า อ, อาแค่นี้นพ่อนะ<า>อนคนก็จะกลับบ้านผมก็เป็นห่วงครับปีแล้วครั โอ้โหน่แน่นเย็ดเต็มยืนจะมาแถวเลยครับนั่นเลยฮะท่านเรื่องนายเครื่ก่อนจะลงมาที่เขาโ่ไปคั้งงคางพบเหยื่อขึ้นเจ้านายเรียกโอ้ผมเข้นี้ดีเจ้านายเีกบ่อยไปมาคนมาจากไหนโอเยอะแยะนั่นเลยครับฮ่าคนมาจากประเทศไทย ล อ, อ, อ, อลูกอากราบเรียนหลวงพ่อที่พรารพลูกฝันว่าคุณแม่ได้โยนพระพุทธเจ้าลงท า, นาหน้าต่างเออดีมากดีเลยนะค ร, รับเนี่ยดีไม่ใช่เสียหนูห้ามว่าจะตกนรกเอาเวจี แม่บอกว่าไม่เป็นไรเพราะแม่มีจิตนึกถึงต้นนิพพานอยู่เสมอเออดีมากมาอยากจะเรียนถามหลงพ่ว่าทําไมแม่จึงทำอย่างนั้นและจะไปนิพพานได้จริงๆหรือเปล่ะฝันใช่ไหมกราบฝานเรื่องฝันเรื่องฝันนี้เขาต้องแปลตรงเลนข้ามนะกราบนั่นแสดงว่าแม่มีความรู้ในพระเจ้าจริงกราบถ้าลงท่านจะเประนิพพานแท้ ไอ้ฝันเนี่ยถ้าฝันว่าได้เงินก็ต้องเตรียมจ่ายจังถ้าฝันว่าเสียก็ต้งเตรียมนับเงินนี่เป็นตรงขัง้นจริงการก็เกิดมาตั้งแต่ตอนเด็กนะการบรราชนายฝันขยันฟอนแบบมั้นก็จริงสังคร<อ>ัอว่าพอฝันก็ได้จังก็เตรีย ม, มกเตรียมราบปราบแต่ว่าเว้นไว้แต่ว่าข้าเจริญธรรมฐานปราบข้าจิตเป็นอุปจารสมาธิอมเงินอันนี้ได้ไหมข้าฝันต้องตรงขั้น ปากปากก็แสดงว่าแม่นีมีความมัน่นคงในพระัฒนาคุณจริงแงม่หลวนิพานแม่อที่สุดตอนว<ร>ีกราบครับครนั่งวิปัสสนากรรมฐานอารมณ์พอสบายปรากฏว่าเห็นภาพตัวเองไปอยู่บนฝากหลุมฝังศพซึ่งตายมานานแล้วแต่เขากลับขยื่นเคลื่อนที่ได้ เดวอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าในขณะนั้นเป็นอารมณ์อะไรเจ้าคะขณะในที่อารมณ์สบหรรท์จะไกินสบหรรท์หรออารมณ์สบเรรท์อะไดีจะมาเรียมาแล้วกินกินสบไหอ๋อปลยเลยก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ เ่าก็ต้องรู้จารณารมตัวเองสิป่าในระนาบความนะนะ่ามีการลังเกียดในศพไหมโอ้แล้วก็มีความรู้สึกว่าศพนี้แปลนิจังนะไม่แน่นอนนะป่าถ้ามีการรังเกียดในศพรับ่าไม่น่าสุภาพธรรมขานเห็นว่ากระเพาะของศพนี้ไม่แน่เป็นวิบัตินายันอ้อันเดียวเลนะปราป่าาก็ต้องดูตัวเองนะ เปล่านี่ต้อหากินทางฝันี่ฉันไม่แน่นอนมาต่อไปหลวงพ่อขอรักขณะนี้มารดาแม่ป่วยเป็นอัมพาตมันจะใหญมารดาแม่ไม่ใหา่ไม่ได้ไหมหมอมารดาขับแม่ก็คืยายหัวทิตเลือจริงจริงนะ อ๋อธรรมดาที่เฉยแต่วนะ่าธรรมดาแม่ธรรมดาเขาแม่เคยใหญ่เนี่ยธรรมดาแม่แบบแม่ภาษาไทายนี่ดิ้นได้นะไม่ดิน้นจะทรงตัวเ้ า, าดิด้งเ <laughs> <laughs> oh, องอพราะอะไรแบอาขณะนี้กำลังป่วยเป็นโรคอัมพาตอยู่ mm. แล้วผมได้ถวายสังฆทานที่ซอยสายลมตุทิศ ตรงต่อเจ้ากรรมในเวรจะทําให้อัมพาตเบาบางจางหายได้หรือไม่ขอรับเออที่ลำบากเลยทราบครับเสาร์ทันรื่องบุญบุญสนเลยทราบอมัมภภาพาันเรื่องโลกเรื่อง ล, ลม อ, อัมมะเร่แม่วาตะเร่ลมแม่ลมเรื่องอัมาพเนี่ยทราบครับเป็นลมที่ไรงแรสดแรงสดของกรรมประเภทเนี่ยในเมื่อกรรมมันลงโทษแล้วนี่ ไอ้บุญเห็จะยันกันยากออาก็ยันแค่แค่ไอ้บุญยันว่าไ ม, ไม่ลงนรกิดวายละละละละวาค ร, รับเอาภานี่ยักศาโน่นสิที่ไหยคำนั้ น, น, านทยววายคนตีวยนกหายไปเยอแยะนะอ๋อแทน้วสุนไพนะตรงไหนก็ไม่รูกว่าอ๋อไ่ด้เอาหายไปเยอะอะไร<า>แบบนี้่านั้นาคแบบแบบสมัยใหม่นะใช่ใช่ อ, อ๋อแ<า>ล้วเร็วขึ้นนะภาคครับ แต่เขาไม่ได้เห็นไม่รู้ผู้ส่วนแล้วนะครับต้องไปหาคนที่จวันต้องแบ่งผู้ส่วนครับแล้วผมเคยมาฝุกมโนมายสิโดยใช้คำภาวนาว่านะมะคาทะพอครูฝึบกบอกไม่หยุดคำภาวนาปล่อยจิตให้ว่างใจผมก็ไปจับพุโทโธ ท, ทันทีเลยไม่เห็นอะไรเลย เป็นเพราะเอดไลจึงเป็นอย่างนั้นขอรับเป็นเพราะไม่เห็นจึงไม่เห็นโหไม่ตอบยันปลายเลยนะอั น, นี่สมาธิก็การตัง้งใจหลาบตั้งเจสมาธิโยกใจเกาต้องตัง้งใจว่าจะภาวน า, าวันน้ำมาปากความหมายมุ่งหมายมันต่างกัน ทราบทราบไม่ใช่แค่เริมต้องมีธรรมนาหลายอย่างทำไมล่ะใช่ไหมล่ะาบาถ้าไม่จาเป็นธรรมนาเรมีอย่างเดียวได้รมันมีความจำเป็นาบแว่าจิตไม่ได้เป็นสมาธิจริงแม้ทุกประจสมาธิก็ไม่มีอคเเองนะมราบทราบุสมัยมีอยู่หลายครั้งกาลังภาวนาพุทโธอยู่ปรากฏว่า นิ่งเฉยไปโดยไม่รู้ตัวหลับก็ไม่ใช่ง่วงก็ไม่เชิงอย่างนี้จะแก้อย่างไรดีขอรักก็ใช้เชือกผูกคอเมื่อหลัง <c oughs> แ, มแม่นำหลักงานเลยก็เรื่องของแม่ต้องแก่าการให้แก่ข่าๆจะไปแก้ทำไมในจิตเราเป็นสมาธิดีแล้วไปแก้ทำไม ไม่ต้แก้นะถามๆอย่างนี้เรียกคนครัวดีอ๋ออย่างนี้เรียกว่คัวดีเหรอครับใช่ใช่<อ>ดีแล้วแก่ดีออ ก, กเลยจะชัว่วก็เลยรอดีลงแล้วลบไปเลยใช่ใช่ใช่ดีแล้วแก่ไปชัว่วหลวงพ่อพรรักก์ปผมฝันไปว่าลูกเศรษฐของหลวงพ่อ ตึงจะพาคนไปนิพพานเป็นชุดๆแต่ปรากฏว่าพอมาถึงกับผมเขาบอกว่าให้รอไว้ก่อนเอาไว้งวดหน้าเองค่อยไปอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่ากระผมขาดตกบกพ้่องคุณธรรมอะไรจึงไปไม่ได้ในทุกท่าแล้วไม้เด้ออดาอต้องดาวก่อนไฟฮักเลย ลาบลาบลาบเ่องากิน่อฝันเอาจีงอาจรกงดีกว่าาบลา บ, า บ, าบไม่เป็นเร<ช>ื่องไปไปเรื่องนะาต่อไปอ<า>ที่เรืฝันฝันเจ็บไป่าฝันเก็บปุบมาปุาามั น, านมาเาไปตับเลยหลวพ่อจะทัเพราะความเป็นห่วงห่วงสมบัติพัสถานต่างๆที่มีอยู่ จึงทำให้จิตไม่ยอมเป็นสมาธิอยากจะให้หลวงพ่อช่วยแก้วิธีให้หายห่วงหน่อยเธอดเจ้ามายามายาอ๋อมายาเอาไปวัด่าซุ้ให้หมดเฮ้กวัดท่าซุงมเลยเลยเจ้าที่ตรงไหนฝนไม่ไหวแวะมาที่รินอ๋อเอาไปไข่เลยนะใช่ใช่โอ้โหถ้าดันไปห่วงจะเป็นอะไรก็ได้สมาธิห่วง ไม่มีทางแก้ต้องแก้ตัวเองาอขาตาโรตัรน์สตาพร ะ, าาระพุทธเจ้าบอกอว่าตัาน์โคตรสมองก็เวลาที่ทำสมาธิป่าเดี๋ยวเดียวไม่อยู่ห่วงไม่ได้<อ>นี่เดียวอยู่หวไม่ได้หรืหรือว่าก็ต้องจปเร่งแรงเร่งกลางปัญญายมหม่ราครับ ม, มันก็เดี๋ยวเดียวค น, น ย, ยิ่่ายจะทาได้บปบาปไม่ไม่จุดปายเลยนะี้เนี้ยบาปบาปพอแนคินไป อ๋อยังเดียกอ่นแอเรับ si ใช่ใช่อแต่เขนมีสมัดหัวมากๆนีอยรก็หวว่าแค่ขรงน่าจะเกินคนดีอ้ยยัยยยกยยยปยยยยยยยยยสยยยยยยยยยยอยยยยยยยยยยยนไปย็ยปยยยยย่ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย็นยยยยทยยยยยยยายยยยรยยยยยยยยยยยยยยยหยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยัยยยยยยยยยาย่ยยยยยยายยยย่ยยยยยยยยยยยยยึ เพียงว่าถ้าคุณข่้นมาหมดเรื่องเลยคุณไอันนี้ก็ตั้ใจที่เพียงนะป่าป่าต้รู้เวลาของตัวเองโอว่ า, าเวลานี้เราทําอะไรป่าบ่านัาง่งพอเดี๋ยวเดียวแล้วสักสม บ, บัติมันจะไปไหนอันนี้เรียกวา่าจิตใจมันมันหักขันยามากเลยเนะอ้พยายามสืบผลโดยดียอานิดนิดไปหน่อยในชะ่ไหมป่าบ่าบ คืนหนึ่งขณะทศ่ิฉันสวดมนต์แล้วก็อาราธนาพระกรรมฐานได้สักห้านาทีปรากฏว่ามีแสงสว่างคล้ายเม็ดฝนเท่าเม็ดเข้าโคตรเป็นสีทองหล่นพุ่งลงมาลุมล่างของดิฉันเหมือนกับเปิดฝักบัวอาบน้ำอย่างนั้นแหละเจ้าค่ะเลืมอตาดูจริงๆก็ไม่เห็นมีอะไร แต่รู้สุนทริตสบายมากเรียนถานมหลวงพ่อว่าแสงเมขโพดนั้นเป็นแสงอะไรเจ้าคะปปเป<อ>็นแสงข้าวโพดแหมจะขอบอกข้าวโพดไปข้าโพดเห็นเองว่ไเป็นข้าวโพดปากกทั้งหลายคนนั่งกินข้าวกินไปกินมาเฮ่ยแสงท่มันเตรี้ยวมันชคมมันทำมือหายเถียงแล้วก็วทำมันโอ ถ้าเราคำสางสอนุ่เจ้ารับเป็นมิตอยากคลายกระดอกมะลิเจ้วตลงมามากมันดอกเล็ ก, ล ก, ลกอะไรเพ่เป็นสีทองสีแดงอะไรเได้ไมได้ได้นะครับก็ไม่ได้จเป็นสุขเป็นธรรม ะ, ระคืออย่างนี้ถือว่าเป็นมิตว่านาปานุสสิออนาปานี<ช>่ตัวนี้อนา่านป็นผมวานาปานุสสิกเวลานันาาน่งสมาธิคราวใด ปรากฏว่าไม่ค่อยได้เคยขึ้นสวรรค์สักทีมีแต่ลงนรกอยู่เรื่อยๆเห็นคนทำบาปเห็นคนถูกทรามานและมีอาการต่างๆเป็นอย่างบ้าอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าเป็นเพราะเหตุไรจิตจิงลงข้างล่างอยู่เสมอเจ้าพระเพราะสมบัติใหญ่ที่นั่นโ อ, โ, อโอ้โหสมบัติใหญ่ลแล้วรับก็ช่างอะไรเปไนไง ฉันน่ะทำปีแรกได้นะตายเพี้ยได้ยนันเพี้ยนระงปลีงโอ้โหไปศึกษาทุกคืนคผมนี้เคยมาไหมป่าเคยมากี่ครั้งแต่ละครั้งสมัยเป็นมนุษย์ทำอะไรไว้กคบคนตัวเองใช่ไหมป่าป่ อ, อย่างนี้เป็นการปลามตัวเองก็ดีมากอ๋อไปส่งเดชนะป่าป่าถ้าไปส่งเดชจนะมีลาละระวังระวัง อ๋อนี่ชอบขึ้นใดขึ้นหนึ่งขึ้นมาวัดข่าวออกล่าไปไปบ่อยใช่ไหมอ่าเพื่อเพ่อผ่าผ่าผ้าถ้าไปบ่อยนะผ่าผ่าแล้วบ้างบ่างจะฝากขวัญทั้งเล่มผมไปอมายกับพ่อครับใส่แต่ตุ้งยิ้มฉันระวังคุณเดียวถ้าเหลอแล้วแย่ที่ผมเนี่ยโอ้โหพอพักตอกจริงๆนานครับผมนะผมนี้พักตอจริงๆนานนะครับ ไม่รู้เท่าไหรฉันยังมาทำปืนอ๋อปืนมันแพงสมัยใหม่เขาบอกว่าปีนกันไปบ่อยเลยหนังยิ้ไม่มีแล้วเพราะคนว่ากันนะไมไม่เวลาไม่เวลาลงปืนนี่มันมีใหม่อันนี้ดีสากหอกนี่ย่างเงียดีลงนานดีอ๋อลงมาสตาลเลยใช่ใชลงพ่อเจ้าค้า ดิฉันได้เช่าพระพุทธโลกที่ซอยสายลมไปบูชาองค์หนึ่งแต่วังเอิญปุ่นเกาะตกปลกเป็นอย่างมากจะทำความสะอาดด้วยวิธีใดจึงจะไม่เกิดบาปเกิดโทษแก่ผู้หญิงเจ้าคะนี่เขาทำแบบไหนบ้างอานนี้สินะลาบลาบลาอ่ก่นอนที่จะทำนะลาบลาเอาทองคำไปวัดท่าสุงห้ากิโลกรัมโอ้โ ไอ้ขอก็มาโทษพระเาอานาคุณเฉพาะที่รูติฉันนะเอาเฉพาะทีรูพ่อวโอได้ไม่เป็นไรหรอกทำได้ความได้แต่ไม่ปรมาทท่านนั้นจฟังเคารพนะก่าวกล่าวไ่สบายสบายอะไรก็ต้องต้องกล่าวอะไรปรหลงรลีอะไรไม่ได้ไปกล่าวเลยเดี๋ยวเรื่องพ่อไม่จะเฉพาะฐานนะตัวนายฉันเถอ าาา <laughs> ตามีแรงเสริมที่แห้งมันทีเพียกงแต่ก็ปากทมหนิเลยนะ <laughs> ไม่ต้องว่าเลยห<อ>รอกยกมือไหวเดยกฝันเคารพเลยฝันอะไรเงี้ยไรเลียหัได้ล้างได้ออคอว่ากระทบาทเป็นผู้หญิงนี่ไปถูกต้องพระเขาว่ากลัวบาปกลัวกรรม้วเป็นผู้ชายแล้วไปไรพระนี่ยคือพระสงฆ์ไมให้แบบผู้ทธาเพราะผุ้รทธถ้า ม, มไม่มีความรู้สึก เราพ่ออย่างยิ่งตั en, ้งแต่พระอรหันตไปดื่อเจ้าก็มีอะไรอยู่แล้วโอ้พ่อจริงๆม <bugs> ันอยู่ที่พระไม่ใช่อยู่ที่ผู้หญิงพรหญิงก็ไล่ไล่สลัมพระน่ะผู้หญิงโทษโอ้แต่ว่าพระานจะตายไม่มีใครช่วยไม่ช่วยได้ผู้หญิงเขาไม่มีโทษถ้าพระนี่เธะจิตเลยเกิดมีความก็เหน็ด่อเวลานั้นแบบเมื่อใครเสจกินพระไปจริอ และวโรงงานนี่หลักโททั้งได้รูกเท่าไหร่ลักก็แ้่นี้สิไม่มีโทษจะทำได้เลยนะเรไม่มีบางบางคนเป็นผู้หญิงไปถูกล้าเนี่ย คิดว่าจะเป็นบาปเป็นกรรมอะไรนี่ต้อ ง, งเป็นบาปมันก็ชนที่ไหนท้องถึงนี่บาปเป่นเห็นเหตุที่ตอนจะขึ้นวัดแพ่พระอาจจะไม่รบก็จะขึ้นไอ้เมย์ไม่หลับสนั้นหรอกวันยึงว่าพระถ้ามีจิตกหนั ก, กนอยู่จะต้องกายหญิงชสดงบัตรสำคัญเสียไม่มีจิตกำลังชนก็พังลงสองขไปวัดป่าอะไรเป็นมุมใช่ไหกเดินมาเดินเอ้าอ้อยคงนแน ยังมีอนน่ก็รีไปไหนของเข้าคมปังนะจะร่างมองเออวนลอยไปกูเอะเอ๊ไม่เป็นไรไม่ปไรนะครับไม่เป็นไรแลวคนจักรถเดือยไม่กูไม่ักรเรียหมูไป่แกระโอ้ขออีกทีแบบไม่มีเจตนาไม่เป็ไรเจตนาเราจะพ่อใหญ่ยงต้องมีจิตสำนึกมันจะพ่อพระนะ ครับครับไม่ผู้หญิงนครไม่เดืยดถ้าผู้หญิงแกล้งสร้านในเรื่องนั้ได้ไม่มีอะไรถรัๆๆรหลวงพ่อจะพักงานหน้าที่ที่ลูกต้องกระาำนั้นต้องมีการทาเล่านิดนิดหน่อยๆน่อยแต่ว่าลูกได้ไปเป่ายันกรอกเล็ดของหลวงพ่อแล้ว มาเดินนิดนิดหน่อยหน่อยอย่างนี้กรอบเพชรท่จอยู่ลูกอ้าวจ้ากรบเพชรไปทีนิดนิดหน่อยหน่อยอบอร่อยเลยจำไว้จำเป็นหนึ่งเลยมันแบบอะไรทองอะไรคุเป็นกันเขาฉันเห็นมีนายาหารทั้งหลายคนสราบหลวกพ่อไปไกลครับตั้งแต่ในพันุนั้นในคนเนี่ยเขาดื่มโซดากันเลยเมืกินเลียงบาปบาปนั่นแหละเขาผู้ชายนะ ว่าเนี่ยเป็นผู้หญิงมันจเนเเอาอเป็นนัเลยอออะไรจาเป็นนั่นเลยแ่ไหนแคมเปนแคมเปนเป็นปากมันกันก็มีขายเวลานี้ซึ่งไม่มีรสตราเลยมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันแต่รสหนึ่งเหมือ น, นกันเวลานี้เราใช่แบบนั้นไปซื้อแบบนั้นมาดีว่าวาเอาลูกจะไ ด, ด้เอาชักหวานดีกว่ า, า, ว า, วาเอาอยังไงครับพ่อครับช็หวานนหวานเลยก็อร่อยดี ก็ต้องหลบไปอย่างนั้นนะไม่หลบล่อเลยไม่ไ้เลยเอาตรงๆเลยเลยครับไดล็อกพ่อเจ้าขาก่อนนอนได้สวดมนต์ไหว้พระมีบาลีตอนหนึ่งว่าสรณะอื่นใดของข้าพเจ้าไม่มีหรวพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของดิฉันด้วยสัจวาจานี้ขอทัยมงคนังมีข้าพเจ้าแต่บังเอิญไป ที่ศารเจ้าแม่คุณอินพระโพธิศัตว์ก็ไปไหว้อีกอย่างนี้จะขาดไปสระนาคงไปหรือเปล่าเจ้าคะไม่ขาดเพิ่มพระนาคงพราะไม่ขาดจะทํานไม่ขาดเป็นเป็นสระาที่สี่ไอ๋อพุทธังพนังอชาณิถึงพระเจ้าพระที่ขึ้นสาสาธรังพนังอชาณิเขาถึงพระธรรมพระที่ขึ้นสาธาธรมพนังอชาณิเขาถึงพระสงฆ์พระที่ ผมจิ้มท่านนั่งชาดิโอ้มไม่อ้โิมท่นเป็นเทวดาเทวตานุสิกามาถ่ายข้ามันอยู่นะนุสิไม่ต่ายไม่ถายนะครับโอ้โหก็ก็เป็นทางว่าไม่เป็นพื่เพิ่มมาอ้โกลัว่าจะเสียตาจาว่าเอะเราแคเอาแค่สามองค์สามก็เวลาถึงพระพุทธเจ้าก็ทำพระสองแล้วก็ว่าเฉพาท่าน บ้าท่นคนอินวัพราะคนอิอันนี้ทําไม่่ายจริงๆนะเพราะท่านคนินนี่เป็นพวบริษัทบาแล้วก็พวกบิษัทที่ฉนเองทยงนับถืเลยหลวงพ่นับถืออย่างท่านปีชาทรงธรรีชาทงธรพบกันเือบขึ้่ไปีที่แลวทุกทีคือพันที่อ่าอ๋อปีชาเวลานี้ท่านให้ชื่อท่านว่าปีชาทรงธร ลาาบเพราะว่าถ้าเป็นพระเจ้ากิงจะมีน้ำเลาเข้าสีอันแยในใจนะเราก็รอซะก่อนเลยยังไม่ตั้งเลยซะก่อนลาบาบอ๋อไปเรียก่อนยังไม่ถูกกองก็ถูกพอนั้นรู้องนั้นอะรกนอีกอะอ๋ออาจารย์ยกทรงมาคุณวีระนะครับโอ้โหเด็ก็นนั้นที่เราพ่อูดในทางโมโมกปชาทรงความพนนพญานียใช่ แต่งว่าแต่งักก็สวอ้อยู่้าบมันช่วย่างได้อวะพ่อครับมันไม่อยาก่หายความันอยู่สูงกว่านะปามันล่าถ้เท้าเกี่ยวไม่ไหถ้าอยู่สูงกว่านเื่อนแบากาถ้าท้าเท้าเกียไม่พอใจก็โดนมันช่วยไงโอ้่จริงนาพีอันทั้งหมดทั้งนายต้องคนีนาเอกข้างบนช่วยกันเนี้ยาเยอะา ง่ายเพราะคว า, วามคิดแค่ในกำลังผิดนิดเดีย ว, วลย่งงลองพ่อเจ้าขาที่บ้านของดิฉันปรกระเบื้องสองห้องอได้ไม่ถึงปีก็ปรากฏว่ามีน้ำมันเยิ้มตายตามรอยล่องข้อต่ออยู่เป็นจงอย่างมาก อยากจะเรียนถามลวงพ่อว่าจะมีวิธีสดอดเพราะต่ออะไรจึงจะกลายเป็นสิริมงคลแก่บ้านจะพังยเหมาะยังเหมดะเลยมองเลยเดือนที่แร้มาฉันยังเป็นหนี้ต่อสองล้านเก้าแสนบาทไปสดอดกคราะหที่วัตราสุมาสามล้านหนึ่งห่อเรื่องเสเรื่องเสียตัง<า>ไม่มีอะไรเลย เก่เรื่องตกน้ำมันมันมีอย่าไรน้ำมันมันมันยังไงก็มีแต่สาวตนันนเรื่อน้ำมันวังเลยนะไปหาเจ้าระวังนะองค์เะมานะโอพเอแรกเจ้านี้แปลก็บอกว่ามันมีน้ำมันเจละมากตามขอบเต็มทีหมดเลยสงสัยบ้านั้นจะมีน้ามันยังไง ไปถุ น, ป น, น, น้ายคงมีน้ำมันสาบหน้ากูเนี่ยมีน้ำมันเดีย่ยก็ต้องคิดก็ต้องขา้ผลนะาสาบสาบนีไม่ไม่เขียว่าช่วยนางสา <c oughs> บสาบอจ้เคยบริจาคเงนสร้างโบสถ์และพื้อที่ดินถวายวัดโดยอุย้พิเจะจงให้แกผู้ตายไปนี้ ท่านผู้ตายจะมีโอกาสได้รับจริงๆหรือเปล่าเช่นคะก็ตามไปดูสินะฮะไม่ยากหรอกที่สุสทรแล้วนะทราบทราทรกบโุภนุยทิถ้าทําได้จะพบผลโอ้ยไม่ขอไม่ยากเลยทาบทาบทาถ้าตอบก็ไม่แน่นนอนได้หได้ไม่ได้ไม่แน่นอนาบทาต้องการให้เป็นโยเอง อย่างเมื่อเร็ีใ้ใค ย, ยายแกยายแกตาย oh. อ๋อคิดว่ายายไปเห็นยายเดินไปเดินมาที่บ้านสบาป่ะคนับตอนนี้อะไรกันกจะถึกล่ะเป็นคืนที่สองทเจยายแก่อน ท, ท, ที่สาม oh. นั่นคูงกันป oh. ากตาไม่ดีกว่านะอ๋อช oh. าความรู้มีให้ง่ายที่สุดน่พยายามทันที่ไม่หมดสงสัยเพื่อความแน่ใจป่ะ oh. ข อ, อตกลงก่าใช้ค่วิธาที่ได้แล้วเองสร้างไปเโอ้ครับหลวงพ่อขอรับลูกขอกราบพ่อท่องใจนิดหน่อยคือว่าได้เช่าสังะทานที่เวียนไปมาอยู่นี้ถวายหลวงพ่อแต่ บางคนก็อธิษฐานขอให้เคราะห์ต่างๆจงลงไปปารากฏในสังกฐานนี้ด้วยในเมื่อผมเช่าสังกฐานมาแล้วจะอุทิศให้แกผู้ตายของผมผู้ตายแกจะมีเคราะห์ตอบในวิญญาย ด, ดีแล้อยากเสียชีวิตมีความสุขนีก็ลองแบบนี้เออเขาได้แต่นิสายเขามันโดนผู้ อ, อยู่ในถังสังกฐานไม่ได้หรอโ นั่นแหลสิแล้วก็สารพัดเป็นผู้รักนี้ไดาจะเไ็ร่อป่วยเรื่องนี้ทีนี้พี่เาสองเที่ยวนะโอ้านพคตรดีเองมาไทนะครับแต่าพูดถึงเขก็จับ่าเราพอจะลงที่ในช่ที่รมันดันว่ไปแรงโอ้แล้วไรปกติก็เลยป่วยเป็นอาชีพเลยนะใช่ใช่่ นี่เอากา่าทานน่เองเอ่อเป็นดังว่าไม่ติดนตนั้นนรบรบหรือว่าผู้ตายเนี่ยเขาจะมมีเพราะเพราะเกิดจกดของกรรของเขาทีราบรบใครทราบได้ไมใดอย่าลบเล็คนตายไปแล้วค่าปลาค่าช้างค่าหมูค่าไฟยกบาร์ไปาคนตายคนตายท้นั้นลอ๋อเราไม่นู้รักจากคนเดยวครับครบคนที่ตายเนี่เขาจะรักเฉพาะความดีและความชั่วที่เขาทําไปแล้ว ถ้าเราเอินดูกุศลที่ส่งไปแต่เขาไม่รู้จักเขาจะโมทนานบาปอย่างเราทำบุญที่บ้านเนี่ยตอเริ่มพักบุญแม่ของก็โดดไปบ้านพักหนึ่งโอ้โหทีนี้ทีนี้กเชื่อปลาเชื่อไฟอย่างนี้ผีแกไปยอมโมทน า, นานเลยอ๋อเพราะบาปเขเปิดฝานนั่งสมาธิพอจอิตสงบ ปรากฏว่าจิตหลุดลอยออกไปทางศีรษะนึกจะไปทางไหนก็เร็วทันใจนึกแต่พอจะเข้าร่างเดิมทีลายอีหลักที่เหลือเบื่อหน่ายทุกทียังมีความข้องใจว่าถ้าเกิดจิตไม่เข้าร่างอย่างนี้ตายไปจะมีโอกาสไปนิพพานได้หรือเปล่าี่ า, าไมไปขาร่างกรขบนเะา ่เข้างล่างคุณจะเห็นช <users> ี่มากกว่า <double> อ้โอ้้ทางล่างมีอะไรอะไรอยู่หนาวด้วยแค่สุดนี่เห็นี่ตัวเองเข้าไหมโอ้ไปถามตาบ้างไปดื่มเลยนะไม่้าข้างล่างกล้ข้างบนนี่ยโอ้ไม่ใจเนาะถ้าไปได้อย่างนั้นนะถ้าเอาร่างกายมาตายจิเนี่ย ก oh. ็จะไปได้แข็งแรงกําลังข่วบุญ<า>บอย่าลืมว่าการออกไว้นั้นมันเป็นฌานใช่ไหมก oh. ำลังวิาชาอยู่ถ้าเราพอใจที่ผมก็อยู่ผมแน่<า>แล้วก็ถ้าเราพอใจสวรรค์แค่นใดหนึ่งในเรื่องด้านการชอบใจก็กําลังเราสูงกวา่า oh. แต่ว่าถ้ากออ่อนนีตต้กินออกจากร่างเราใช้วิปัสายาญาณวันฌานใช่ไหมแต่เวลานั้นอีเด็ชไม่ก่อจิตเป็ิฌานเลย แต่มันจะไม่มีสิเขาต้องตายไงแบบไปแล้วไม่กลับแต่วันไหนสั้งใจไปไม่กลับก็จะไปไม่ได้แต่บัเรไปได้ก็ถือไล่สับทันทีตัวอย่างันเยอะแล้วออย่างนี้ก็ไม่ต้องกลัวตายนะไม่ตายไม่ต้องกลัวตายแม่อะไรอ่อนใจร่ะอะไรยังอีกลัวตาย ออกแคล่างมันจะอะไรเข้าล่างสิการออกมันหนีที่ไปช้ามาสวนที่มาครับใช่มันมีอใจข้าล่างนะบุนออไอ้ที่อกอีต่ักอีเมือครู่ังไรถึ่าโอ้มันจะเจ็บผมนอนี่เหมือนจริงริงเลยคุณพี่กูไม่เดือดร้อนเจ็บเลยระไป ตรนักตระหนักประจำไม่เป็นไรนะปะเดีย๋ยวได้เอาแสดงถ้าจะพูดบางส่วนนะปากปกําลังใจเ้ามีกายกาเขาต า, ามมันเติดเขารำขานอยู่มากอ๋อท่านคำว่าอีหลักอีเหนื่อยไหมเพราะท่านเริ่มเบื่อร่างกายใช่ไหมากรล้วอาการนี่มันไม่ดีมันมันเหมือ น, นรับอาการที่เราออกไปไอ้กอ ง, ไ อ, งไอ้กองไม่ใช่ว่าไอ้กระทอมหลังนี่มาเป็มมีความสลบสลบมีความเบื่อหน่ายอันนี้ดีอ๋อต้องถือว่าดีมาก ทราบทรบเมท่านผู้หนึ่งเวลาเขามาบอกคนเรีย่ยไรชอบทำหน้าเมินหนีไม่ก็ทำหน้างอเข้าใส่แบบนี้จะแก้ไขยอย่างไรตายแล้วจะเป็นชนไหนเจ้าคะตายแล้วกุณผีคู้จะเป็นจ่ <c oughs> าแล้วจ ะ, ะเป็นีดิเด็กนต้องดูก่อนเขามาขอเพื่ออะไร อ๋อกาลังใจที่จะมุ่งมั่นก็อาจจะมีนะปากแา่ว่าถ้ามาได้ไรเขาเกิดไม่ไว้วางใจนะอ๋อเห็นไหมปากแต่ว่าเวลานี้นักบอกกมมันมากเกินไปนี่ยจะแก้โทษเขาไม่ได้เนี่ยปากกาลังใจที่แท้จริงเขาเป็นยังไงเราไม่ทรบจะไปโทษใครนอกเขาปากบางทีข้างนอกเนี่ยเขาไม่อยากทั้งไปบายก็ไม่เคยใส่ปากไปไว้ก็ไม่เคยไปเท่กับมึงไปทาง แต่กำลังใจเขาเป็นรูปสงอย่าลืมบางคนที่นั่งภาวนาในที่ใกล้เขา อ, อาจจะเป็นพระรหันต์ได้เลยที่ต้องไปวัดนะอยู่บ้านเหรครับอยู่บ้า น, นะอะไรเยอะแยะไปเยอะไ ป, ป<ร>ตัวอย่างในพระสูตรนะนะคือว่าต้องดูที่กําลังใจเขาอย่าไปดูอาการภายนอกแจะรู้ไม่ได้อย่างนี้ทางดีแล้วต้องใช้เจตุหรือเหยียดหยขอทางนี้ยากโยมหน่อยนะะะาอไร ว่าต้องใช้เจริญวิญยานไม่งั้นถ้าถามตรงลุจเลยจะรู้ทักโอ้ไม่มีอย่างเลยมมีหลายคนโอัดไต้เพรอย่าไปพรตายแล้วคุณไปบอกคุณพ่อหรือคุณตาตามโบสถ์ทั้งไม่ชอบมำบลเราเห็นพักทีนไนได้ขอแต่งชื่ออยู่แล้ว๋อ้ไปถามท่านท่านบอกกำลังพานที่นทางเรื่องจิตใจวท่านเนอะรอยู่บ้างปากราเจ็เป็นว่าอผู้สูงอายุอาี่เข้าทางไม่ได้ปากาบ พ่อพอดีเวลาหมดก็มีเรื่องที่จะปรียาให้ทราบนิดนึงว่าวันอาทิตย์ที่20มกราคมหลวงพ่อจะเลิกวางศิลาที่วัดอะไรวัดเขาสแกรกลางหลวงพ่อละมาสังกัดที่เหมือนเหมือนรั้วขางสแครกลางก็เอ่อทางซอยสายลมก็ได้จัดรถนะฮะ แต่ว่ารถจะออกวันที่19มกราคมคือวันเสาร์แล้วพ่อจะกลับวันอาทิตย์ที่26หลังจากวางศีลาฤกษกเสร็จแล้วนะฮะท่านผู้ใยที่จะไปร่วมวางศีลาเลิกกับหลวงพ่อที่วัดเขาสะแพร่ฟังก็ขอได้โปรดติดต่อนี่จะศิลาฤอษ์ฤ ก, ก, กอะไรษ์รนี่ศิลาฤกษ์ ลริกแล้ริริกมาแล้วก็เริกเลยควาเสร็ดก็เริกเลยใช่ใชเอย่างนี้นะลาบาบขาจะให้เจ้คุณข้าใจคุณย่เยี่บอท่านทุกท่านในความจริงอง์นี้เป็นพระดีลาบลาบชอบหลับตาภาวนาเสมอในภาษาไม่ยงกับใคร ที่ยัาางังทอายุประมาณ80แล้วอนดีโอ้ฝัตักษณาหลังนี้ที่ผนไปในงานปีประจำปีท่าต้องทำอะไรข้านอกหลังใช่ไหมถ้าไปเราไปออกฟูเลเหล็จวัตถุก่อสร้างทั้งหมดให้เพราะว่าไปเห็นระครังที่นั่งเถอะรัครังหรอครับรครังที่เจ้ารอห้าให้สร้างไว้อนุ่เล็กิดหนึ่งขนาดข้าไปนอนได้ ลูกนิดเดียวพลาทันั้นเลยนไอความล็กมันนิดเดียวคามยาวมากแวระบวารเลี้ขีน่าปากหว่าเป็นะคังเขาสมัยรห้าสายสร้างถวายอ๋อในรายการนี้สองนี่ว่าซักจกระสือว่าเขาถืออะไรนวัดสุขัที่สุขัหโมงไงปาก่ากล้วคนสัในการหนึ่งเที่ยวรัฐธรรนตรงนั้นก็ดีมากให้กาช่วยเหลือแล้วดี ศาสนาไม่มีความมุ่นวายใช่ไหมป่าป่าแล้วต่อมาท่านมาช่วยที่วัดถึงนัาแต่คอกับคนอื่นท่าพร้อมในเวลานี้คนอื่นแล้วตะมันก็มาจแล้วโอ้ป่าป่าถ้าถืว่ามีพอามสมควรนะรับก็เป็นไปไม่อย่างนี้กันละกันลูกหลานคนไทยปราถนาจะไปร่วมการกุศลอันนี้รอติดต่อจองบาทที่เคาน์เตอร์นะไปวันเสาร์ที่สิบเก้าเก้าเมือเช้าค้างคืนวัดข้าวรงแล้วก็ วันที่ยี่สิแล้วหลวงพ่อครับเรื่องวันที่เจ็ดนี่ยังไงแน่หลพ่อเลยหลวงพ่อจะสารพันสาอะไรสดีก่อนี้มั้เขากลับวังหมดตอนบ่ายคุณอะไรก่นคุหน้าหน้าเรว่บังเนี่ยว่าที่เจ้าห้า่ตำรระพฤตบัติหลอกคอร์รัปชันไปเป็นตอนบาย หมายความว่าตอนเช้าตั้งแต่เช้ายันบ่ายโมงครึ่งฉ right? ันไม่รับแขกไทยเจ๊กมารับโอบ่ายโมงครึ่งก็ขอลาท่กคราวพอเด็กช่วังแล้วก็อาจจะกลับมาประมาณหกโมงตลนมากกว่าสามนัดก็เลยดีใจ ดีใช่แล้วครับอยากกินข้าในวังมันไม่เคยิ่มอะสดิต้องให้แล้วพ่อมันมั่ไม่เหมือนพ่อเราไม่ันับไม่ันัดเราพวกวังเพชรวังธรรมดาธรรมดาด้วยขนศักดิ์ศรีกินไม่ได้อ๋อพ่ออ๋อก่อไม่นัว่าวันที่เจ็ดพ่องพ่อก็ยังอยู่ใต้พระาตุใหม่องขึ้นอ๋อชั้นชันที่ตอใายลมนะแม่หม่ฉันนี้ตัว เลี้ยวก็ไมได้แล้วไปกินก่องซอยมาโอ้โหอ่าจะกินวังไปกินแป้งซอยขอบคุณเลยระวังก็ไมเอาเอาเอาไม่ใ่สานสถานที่ควังอะไรกันนะยอมยอมยอมแพ้ตาามอ่านี่ก็เป็นข่าวประกาศนะเอ่อลขอขอกนิด ข่าวดีพิเศษก็คือว่าที่วัดท่าคงจากหล่อพระรูปรัชการที่หนึ่งกับรัชกาลร้อนมากป่าวครับคุณู้ชม่ห้ไปดูที่เย็นๆที่โลกันโอ้ตาไม่ถนัดนั่นเลยใช่บใครวามไม่ถึงเจอท่านบอกว่าให้ความแห่งแรงจะเกิดทุกรหบุคุลไทยก็ตามนะว้าวถ้าจจะถึงพวกเราฟ้างแต่จะไม่นัก แล้วประการที่สองอท่านบอกว่าคนที่บอกไปไป น, นำประพาสเมื่อกีเนี่ยบาดบาดเคยไปตีไก่ไว้<อ>สีถ้ามันเดินไม่ได้บาดบ า, บ า, บาตอนนี้นะครับท่านจะบอกถอนไม่ถอนไม่ได้แล้วนะบาดต้องรักษาแล้วก็พอดีถ้าแม่กับท่านย่ามาเพราะว่าไม่ต้องมิกตกกังวลบาดคาถาที่ให้ไว้ทําเป็นปกติ ไอคําคว่าจะมีผลไม่สบายความเงินมันจะวิ่งมามาเรื่อเป็นกองใหญ่กองโตนะกล้ากล้าหมายความว่าจะไม่หนักใจเท่าอาื่นๆเขาแล้วก็ปอบก้นเขตชะตายของประเทศน้ํามันมันจะไหลท่วมในหมู่นี้ตายโอ้โห <c oughs> นี่เส้นยาบอกเลยน้ํามันไหลท่วมมาตายตรงเนี้ยอย่างนั้นก็มันไหลล้อดิ อะไรของชัดเลยน้ำ ม, ม, ม, ม, มันจะต้มน้ำมันจะต้มมันตายมันไม่หมดหรอกตอนที่เขาเครียดฉัจัดจัดเครียดเป็าแถวเขาพยายามทําเลย น, นะอาาจะซดไปนิดหน่อยแห้งไปบ้างเลยจะไม่หนักจะได้รู้สึกตัวมากเลยเรื่องท่านประคองจริงๆเนี่ยเมื่อกี้มามาแล้วสามองค์อลงมาก่อนทแรกนั่นจะบอกอะไรไปถึงบอกไอ้คนที่ว่าไปม า, าพลาดเลยนะตอนเตีไก่ก็เดินไม่ได้ ไก่สีขาวลุงพ่อเขาจะแก้ไขมาสีไก่อ๋อครับตีทั้งรุ่มาได้อ๋ออันนี้ถ้าไปบอกแก้ท่านบอกพูดเก่าออพูดเก่า น, นี่เราต้องคือว่าถ้าเป็นแล้วท่านแก้ไม่ได้จะรักษาแล้วแล้วใช่ไหมาลาบลากรรมชั้นี่กรรมนะัดตัดกรรมมันต้องตัดหน้ากันไม่ใช่มาทําอะไรเมื่อมัน ถ, มถูกลงโทษแล้วอ๋อแ้วมันอถูกลงโทษแล้วเป็น ก, การารักษาไปลาบลานี่ยท่านก็เลยบ่อยทีบอกว่า ความแห้งแรงร่าจิต ใ, ใจคนอาจจะมีขึ้นแต่พวกนี้จะไม่เป็นไรนะักจะไม่เท่าเขาเอ<ะ>าลีะไปนี่ถ้บอกเรื่องนี้แล้วกันเพราะว่าถ้าจะซุดลงไปถึง5้าอร์เซ็นต์อ๋อตรงนี้เลื่องเล็กกเน้อถ้าสุดลงนิดหน่อยเน ะ, ะไม่เท่าเขาและท่านย่ากับแม่สีก็มา<ะ>ต่อให้พยายาทุกคนทําไว้เพราะว่าสามเดือนจะเห็นผลเนี่ยไม่ใช่เงินจะไหลามากองตรงคือไม่ยอมให้สุดเท่าเขา จะ่รประคองไว้ให um ้ทรงตัวด <ne> <in> like so ีอยู yeah ่แล้วก็ต่อไปเมื่อตาไร้ของทาาผ่านไปน้ำมันจะไหลท้าโค้มันตายก็ขอแต่แม่สมออยู่เจริญแล้วแม่แม่สี็ยากอ้ไม่เจริญเลยเจริญถอยงี้พูดเลยก็เลยเจรแล้วใช่ไหมปั๊บับายรูปเ้ยกันหรือเปล่าอา อได่ถ่ายรูปลวกของแม่เลยครับพอดีเป็นคนสบัติเดียวกันเมื่อวานเมื่อวานสมบัติเดียวกันแต่คนไ็่ยี่ห้อครับสมบัติเดียวกันปีเดียวกันก็าเป็นแม่เราเป็นลูกจริงๆเลยครับพี่เดียร์ั่นก็เสิร์ฟสบัติดีจริงๆนะพอดีภายรัฐเขาเชียร์อยู่นั่เลยอ่านกฏไทยรัฐนั่เลยอาถ้าเชียร์ไปไนเขาบอกว่า บุคคลสำคัญที่ยอดเยี่ยมแห่งปีผู้ชายได้แก่อะไรเป็นเลขาอะไรที่ว่าขึ้นรถเมย์ประจำทุกวันแต่ไม่ยอมไม่ยอมนั่งรถเบนซคนฝ่ายิงก็ได้แก่ฉันแม่สมอเสียงนี่มึงนี่ก็ช่ายใช้เสียงหนาหนักใส่ชุนไปดิ่นแต่ดีฉันเห็นด้วยนะก็ฉันนี่หุ่นใหญ่ เจอโจทย์แล้วเลยไม่ว่าใครพุูดนะที่ไหนก็นาตามถึงฉันหมดรู้สึกแล้วทุกรายการเลย<อ>ที่สร้างทั้งนั่งเลยแล้วก็ดาวโซนเด็กทำไปชนคนจริงเลย<อ>เป็หนมานนไหนบอกไอ้พัชการสร้างในหน้าเุยไอ้เงินชนนี้ก็ได้ครับทุกคนรับกดแค่ที่หน้าที่หน้าไม่มีสมาชิกไม่มีเลย<อ>คนยี่หน้าหนักใจเราสองคน ขาดทาบพอๆมันว่าจำนำทั้งที่ทั้งบ้านเสีจท่าทางลักหนูไม่มีที่อยู่เลยอสองลายสิบล้านกว่าโอ้โหสิบล้านกว่านาถาท้าไปไงไปหนูประดอเพราะที่ลูกตอนมันแบ่งให้ลพ่อสิบเอร์เซ็นไ อาพระจีบอ่ะอย่าให้นะให้คืนไม่ได้ร้องลาพัทนาไทยตงไปพุทเจ้ารับโกรธอ๋อรับแล้วไม่มีคืนเลยไม่ได้ไม่ได้ต่งนั้นรับโกรธเพราะว่าพุทธเจ้ามีทเบียววินัยอ๋อพระที่ทัลายตาตทุกคนพุทเจ้าถิดว่าเป็นเดรัจฉีครับลำหนักลำนักมากพักนั้นพ่อรักแล้วไม่อยากคืนใช่ไหไม่เคยคืนให้เลย โอ้ไปงั้นหมดเป็นท้าอยู่ไม่ได้หรอกเจาขับไปนางแล้วเนี่ยคนที่มีความสะบันอยู่รูปคุณเสื้อสาตสุดิสันทันเนี่ยทันมากแล้วก็ถือกะ ต, ติกะตะทำกติกะช่วยผูกแปลผูกขอไม่มีการให้ขอขออย่างเดียวขา แล้คนนี้ไทยยกยไปกูให้ไทยอีกากูให้แล้คนนี้ต้องให้แต่ไทยไม่ให้ถืออากันดูไม่รู้แอบอ้อางบาลีเลยนะนครนาเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหลับซะก็จบนี่มาเชืญแรมาจี้ที่หลอนหนดเลๆๆๆๆๆาพูดอธิบายไปอะไรก็จบหมดเองเลยอ๋อแรงที่มาฝาก ถ้าอย่ไปกจะยกขยงไปทั้งหมดไม่ได้นะารวมทอไม้ท้อคําว่าเต็ก ม, มก<อ>ําลังหมายหมายถึงอะครับราะฝึกตามแบบเนี่ยจะอีกแบบนึงอเราบางทีใ น, นเวลาฝึกเวลานี้ฝึกแค่ขึ้นกําลัง โ, โถ้าเต็มกําลังฝึกมาสิปีไม่มีใครรับได้<ห>เต็ึกําลังจริงๆอย่างที่คนเขาบอกนี่ออกไปดำผมรู้สึกตัวออกทั่นเลยนะออกไปแล้วก<ห>็สว่างคล้ายกับพระอาทิตย์เวลาเที่ยงโโ คุยกับเทวดาหรือผมก็เห็นได้แจกวแบบเนี้ยไม่ใช่เร็่อรีนะนั่นก็การสอนก็ต้องแยกเป็นสองจุวนบนครัวแนหลังครัวท่านบนนะนะนี่คุณหญิงเยาวมานท่านตายไปแล้วท่านรู้ก่อนฉันพอนงานเผาศพเขามีเข้าทํางบนไปแสนหนึ่งต่อยก็มาได้ใช่เลยใช่ไหมาา ม, ามาขอเข้าครัว เขาเข้าเรียนตัวบางิีวันเรามานเราเชิญเขอเข้าชัา้นบนด้วยเวลานั้นฉันยังไม่รู้าชั้นบนจะทำอะไรโอ้ไม่ว่าต้องมีพระประธานสององค์ต้องฝึกรุ่นแรกอยู่ตอนหนึ่งรบให้รุ่นที่ได้แล้วตอนไหนถึงเที่ยวจ้าหน้าดูมันจะห่วงเอ๊กซ์เราดี ไปข้าเอาลงส้ายรงนี้ไหวน้ำไปข้ง บ, บนไหว้างลางไหวมึมอรอพื้นนะพี่แค่ทั้งฝึกไม่ได้ไงครับอ๋อแล้วล่อเจมมาตราสนุกสนานมากที่หลักที่เหลือหน้าดูไม่ใช่หลักเหลือครึ่งหมดเแล้วก็ไม่หวก็ไปนั่งสอนวิธีปฏิบัติในท่านโคก็คือคุมแบบนี้ ในแบบนี้ก็ผิวกำลังใจอ่อนเพื่อเข้าไปคุมกันใช่ไหมพระที่พระเจ้าทษษ่านแนะนําบอกสอนแบบนี้ไม่ได้แบบเ ก, ก่าเนี่ยแบบแรงกำลังโตท่านบอกคนเวลานี้สัญญากับปัญญาทาลงคุณสอนแบบนี้ไม่ได้เหมือนเรสอนเด็กที่อุมช้างกับน้ำกลับกลับต้องใช้เข้าสอนถึงตัวนี่มันจะมีลาหลังที่จะไม่ใช่รู้เรื่องมาเลยโอ้นีลาเก่าก็มีว่าให้นั่งภาวนาเอาธรรมะพระธรรมปกตาไว้ เขามีกระดาษปลูกให้นะแล้วก็นั่งภาวนาไปทนได้กกได้เต้นปุกปั๊บปลุกปัุ๊กปั๊บมาคุก็เต้นไปเต้นได้ต้องสังเกตแสงสว่างแสงสว่างพุ่งออกจากกายแล้วแสงหว่างพุ่งลงมาจากข้างบนให้ถือกิจที่ไป ต, ตามแสงมันจะพุ่งไปเลยไม่ตั้งใจเป็นอย่างรก็ไปตแต่ถ้าชัดเจนมากไม่มีเงาไม่ไม่เป็นเงาเงานะเราส่วนแรกแต่กำลังทุกคน ถ้าคนตรวจได้ดีไอ้ได้ดีมันไม่กี่วันเอาจริงๆงแค่สองสองามครั้งนะมันจะชัดเจนมากใช่ไหมอ๋อแล้วเรื่องต่างๆที่เราสงสัยเนี่ยข้างหน้าจะเป็นยังไงมันเรื่องเล็กอ๋ยานต่างๆเนี่จยจ่มใสมากรู้ร่องรัรวดเร็วมากแต่แจ่มใสชัดเจนมากครับค้าขายอย่างนี้จะรู้หรือไม่รู้ทําอะไรดีหรือไม่ดีอะไรอย่องนี้ก็้อ๋ จะว่าอย่างขายยกทรงเนี่ยาะยี่ห้อนหนอมขนาดไหมทำตัวดีใายโอเล็กอ่งใหญ่อรู้หมดเลยอะไรแคต่อประจุได้ตอนนี้ันี้เรื่องจริงๆนะเรื่องจริงทุกอย่างชัดชเจนหมดคือมันไม่ใช่เป็นเงามันก็เหมือนกับตัวเราเดินไปเลยและการแบ่งตัวก็ชัด อย่างเมื่อวานนี้บอกว่ากําลังให้สินอยู่ใช่ไหมปับ๊บปั๊บบอกว่าที่ญาติา ก, กับทนายสีว่าจะทำภายในนะ่นอกจากเรื่องเขาจะมีกิจการภายนอกคือไปตั้งโรงงานภายนอกนอกประเทศเสุเด็จที่จะมาเราไปดูกันไหมให้สินเราจะไปดูเลยรเพรเมียเขาตั้งตรงนี้โรงงานอาคารร่างเป็นอย่างนี้กิจการไปกี่ประเศทศในบ้างหาสาย แล้วท่านซึ่งบอกว่าไอ้จัวัดออกกลางนล้วมันจะแห้งแล้วต่อมาไทยมันจะหนอนี่การแบ่งมันใช้ได้คร่อ ม, มากดีมากใครก็คุยกัเราพันคนเขาลราจะติดกันเราอยากจะดูจุดพันแหงนั่นได้ปากไช้ก็น่าหยุมก็แบบๆบ้ ไ, ไ, ไทยแผ่วเลยพอฉันเสร็จจะของบ่าย้วถาสงส้ม่้อยจะพัก เวลาตรวจรัว ด, ด้วยบ้านนี้เป็นยังไงบ้างที่เป็นยังไงบ้างจะดีไหมเอานังพักพอพักไปเขาจะแอ่อ <c oughs> แอหวนก็รอเพื่อมองโจรครับเดี๋ยวตื่น แม่ดีจริงๆหลวงแมน้ดีมากงาบอกคือไอคนเราเข้าชานี่คลอบมันดีขนนั้นเลยไม่แหลับจริงๆอะสมัยหลับอย่างแท้เลยหลับไม่ใช่ยังเทียมอย่างแท้เลยออกมาแล้วพัดเป็นไงบอกพวกนึกตอนเข้าชาเนี่องกรอบหมอกคืนนี่ไม่หลับอกคืนเ ไม่น่าลง่าแถวยังไม่ได้หลายลุงกูรูไไ <c oughs> ้ก็ได้เออไม่ว่างงานสกิทเอาไหน<ม>อือในสองสามวี่น้องมันไ่นขโมยอะไรวะอืมก่อนจะก่อนตุ้มเมื่คืนนั้นม่เกิดเรื่องเลยเมื่อคืนน้่เจ้านายเรียกสองครั้งก่อนจะลงมาเจ้านายเรียกว่บ พอลงมาจะ เ, เระิ่มงสอนกำมะถ่ายจ้านานนี้อีกไม่ผิดกินยากินยาไม่ผิดจะผิดขนานคิไม่าช่ฉันยาลมไปฟัดจะถ่ายกอนไพวกที่เป็นร่ายที่เป็นวันแล้วมันผิดพอเอาเอาไปเลยครับนี่ยังเร็วๆนะให้กำลังอธิบายจะช่วยเลยนะนะนะนะ ยนถามด้วยว่าเขาจะถวายกี่คันสองคันและสามคันรู้จัพอดีทเท่เท่เท่ไปศก็ต้องเผายางยังช้าที่สุดก็ต้องเลิกบ่ายสามโมงคร่งใช่ไหมถ้าจะมาตีกาพัสกุลกันไม่ตพอดจิบเวลานะบ่ายสามโมงไอ้เจ้าภาพมันล้วก็ยึงมาได้ทัมาว ้ารไปไหนไม่จะไปทาอะไรไม่ขึ้นม่ถึงไม่ใช่อะไรก็มากอม่ได้มะเนี่ไม่ใช่อะไรเลยมันก็ยึดเป็นอดีตธเลยไไได้ไปที้เวลาบอกที่ได้จบแล้วมันไ้ไปไหนบอกไม่มีครับเพียงเลยแบบเพียงหน่อยผมทิดจะแยเผาในสบสนเราเปไรจะเผาคืนหมดลงไม่ได้ว่าไปว่าไปเขาก็แม่มาที <laughs> <clears> แต่เช้าวันนี้เรนนั่งอยู่นี่นะใครยนลูกอ่คนน่ะถ้าลูกบออะไรที่จบมานั่นแหละการน้มันเราบอกว่าส้องต้องเทศสาน้ำมันตอนต้นเรียกได้กัตอนหลังๆมันเรียกไม่ได้คือต้องมีเรื่อร้ันมันก็ทาไม่รู้เรื่องตลาะว่าไปว่าไปตั้งคื่หนึ่งก็ยังไม่มาให้เลยโอว่าจะัดเลี่ยงขึ้น ไม่ใช่เจ็ดครางทีะไรพระเบงกอนแล้แล้วก็แทเข้าชุดแต่มันมันแท้แต่ไม่รู้เรยงองคถามอะไรจะมาเรียงมามารู่เรื่องกันใช่ไหมถ้ตอบไม่เสร็จเราถ้าตอบเรื่องไงก็ตอบคนได้แล้คนหาตั้งต้งแล้วก็ไปหว่าเชื้อะไรแต่หาคนลุกตะนก็นไม่ได้แน่จริงคนเต็มตลาไม่ใครลุกตะน ขอบคุณสุดๆครัายมเช่ยอมแพ้เลิกเลยเอวังว่มีเท่านั้นแหะรู้โยแล้วไมไปไหนข้างกลพอไอ้อ่านจริงเลยคุณไข้าวมาแตงลาเต็มป็นแถวไม่ได้ไกลไกลเลยแมสสารอันเซียนอยู่ ระเทศที่ลงเข้าช่วยกันเลรีเกเน่ล่อทัตัวแดงไหลลงไหลหงายเซ็ตคนมาดูเทศหมดไปดูรีเจนซ์นั่นใช่ตามธรรมดาเทศนี่ก็ทาให้ใครให้คนโห่ร้องในคนทิ้งไม่สนใจเท่าคํายากหนึ่งเขาเล่นกันเนี้ยมันไม่ไมยากนี่ไม่เรื่องธรรมดาถ้าเทศอัอดับแค่อันดบบทนี่คนก็ถาไม่ไหวการชุดตัว พมันมีกติดต้องคนเคาเราะมีจังหวะราไม่งั้นหลับแล้วก็เขาะราะตึงก็เ้าลเรื่อต่อไปใช่ไหมมาเรื่อยไปอันนี้สองคำกล่าววัฒนธรสูงนี่กาวกาบางทีนี่กล่าวมล้นกันไปฟาเกือนไม่ให้ เ, หเหหลิกชา้ไาไม่ได้ทำไม่ไ ด, เด้เราดูเลยจัดเก็ไปแล้วไม่เอา อเทศเทศก็ได้เวลาไปฟังเสียงเอวังเหตุสองข่าวไม่ไม่หนีแน่แล้วจะคิดว่าไอ้คนฟังเทศนี่คงจะไม่ไม่ได้เวลาไม่นานเนี่ยนะอีกคราวไปเทศเรื่องพันยักะที่ทำไปบ้านมาแล้ก็สองสองว่านะวัดว้าวัดแต่วัดวัดแรกคนหลังไม่กันนี่เองเหมือนกันแว่าัดวัดแรกกลางคืน ดีเจเขาเลนต้องแสดงกลางคืนพอดีฝนตกเขาก็ต้องแสดงกลางวันถ้ามันบอกผมว่าคุณไม่ใช่รองใหญ่ได้ไหมเขาไม่ได้ครับต้องใช่รองใหญ่ต้องไดบอกแล้วว่าขอเขาเขใหญ่เสียงเครื่องจะเล่นเลยไปแพรมาบดจะพกเข้าเรื่องเพศสององค์คนมาบดแล้วไอ้ี่ผ้าบอกดเจผมมันจะเล่นก็เล่นแ่มดูผ้าเทศกว่ารียบร้ ว่าให้กิน